จริงๆร่างกายของเราประกอบไปด้วยอินทรีย์ประสาทประสาทรอบนอกเรานี้ทาหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งหลับทั้งตื่นครับนั้นความรู้สึกสดๆซึ่งแผ่ในะเขตบริเวณกว้างขวางที่สุดเนี่ยจะทำกิจของมันอย่างจับไว้และเป็นไปเองเนื่องจากตั้งแต่อ่อนจะออกแล้วนะครับเราถูกฝึกปลือให้คิด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 กิจกรรมการงานที่เป็นจริงในชีวิตส่วนขั้นลบหลีกไปอยู่ป่าอยู่ถ้าหรือสแสวงหาความสงบช่วงครั้งทุยามนั้นผมคิดว่าไม่ใช่หนทางแต่เป็นการทดสอบตัวเองได้ครับคิดว่าของยุติเท่านี้ครับผู้ใดมีคําถามก็ได้อก็เป็นการมองจากพระสูตร ในในแนวของผมสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านมองว่าอพระสูตรบอกว่าเดิมมนุษย์เป็นแสงสว่างแล้วก็มีอะไระอะไรลําดับเรื่อยมาแล้วก็เกิดความคิดว่าไอ้เวลาเนี้แสงสว่างมันยังอยู่หรือไม่ฉ <c oughs> ะนั้นมันก็เป็นการเป็นการต่อเป็นการต่อดีความคิดของเราทีอ่ออกจากพระสูตรทีร่จากพระสูตรอันหนึ่งที่ผมทราบในตอนพระพุทธเจ้า ให้โอวากับสาวกตอนที่สาววกจะตอนจะสรงสาววกไปประกาศศาสนาถ้าแบบว่าอประกาศทําไปทํานองพูดแบบเอาใจความนะฮะประทัดประกาศทําไปเด็ดคนที่ในดวงตาเขามีกิเลสเบาบางถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมอันนี้เขาก็จะเสื่อมไปจากความดีไอันเนี้ยผมคิดว่าถึงแม้จะไม่จะมีาศาสดาหรือไม่ข้อตามมนุษย์ ก็ยังจะแบ่งเป็นพวกกิเลสเบาบางกิเลสปางกลางกิเลสหนาอยู่นั่นเองครับผมผ ม, ผมตีความออกมาในลักษณะนี้คือจะมีาศาสตราหรือจะไม่มีาศาสตรามนุษย์ก็จะเอาสติสีเข้ามาจับเอาง่ายๆแบ่งกันเป็นสามพวกก็พวกกิเลสเบาบางหยิบมือหนึ่งกิเลสปางกลางมากแล้วก็กิเลสหนาอีกหยิบมือนึง มันก็จะออกมาในรูปอย่างนี้ครับผมจะอันนี้ก็เป็นการว่าผมมองออกมาในลนนักษณะนี้แต่นี่ปัญหาใหญ่ถ้ามองออกมาลนานักษณะนี้มันจะอยู่ที่ว่าเอ่อมันสอนกันไม่ได้นอกจากคนนั้นจะมีกเกลียดบาบางถึงจะเอาประโยชน์จาะทาสอนได้เหมือนกับเราที่อยู่ที่นี่กลมเนี้ย็หยิบมือเดียวใน <laughs> ในกรุงเทพในกรุงเทพเก็อาจจะมีตามวัดต่างๆ แต่ละเอียดมือแต่ละเอียดมือก็อยู่นั่นเองก็ก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับออันนี้เป็นการมองมองอีกแบบหนึ่งครับครับจริงคำว่ากิเลสบาบๆงนะครับไม่ได้หมายถึงว่าอะไรอื่นครับเราสามารถที่ทำให้ตัวเองเบาบๆงได้ด้วยคําว่าประเภทไม่ได้หมายถึงแบ่งชัดเจนแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานรับแล้วความจริงแล้วจริตทั้งหกที่ว่านั้นเรามีทั้งหกนะครับดี บางคนอาจจะแยกว่าเป็นคนนี้เป็นพุทธจริตคนนี้เป็นโมหะเจริญที่จริงมีทั้งทุกขเจริญครับพราะว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวครับในบางขณะบางช่วงจิตแสดงธรรมชาติของความประพัดสอนออกมาจิตใจแช่มชื่นอย่างแปลกประหลาดผมไม่เชื่อว่าโจรจิตใจจะอมหิตตลอดเวลาหรือนักโทษอดยากรที่อยู่ในคุก ขณะที่เขาก็มานั่งสารบุ้งกี่อยู่กลางแสงแดดจิตใจก็อาจจะแช่มชื่นมันได้แต่โอกาสอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาก่อกรรมไว้มากก่อเขื่อที่บากปิดบังแต่คนธรรมดาดทั่วไปเนี่นะครับเมื่อภาวะที่ จ, จบเหมาะกันเข้าโดยความน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเช่นเดียวกับทะเลครับทะเลบางวันนี่ขุ่นมัวบางวันนี่ใสก็อาอย่างน่าประหลาดทีเดียวจิตใจของมนุษย์ก็ไม่ได้ดตายตัวนิ่งอยู่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 เราก็จะพบทางออกได้ตามธรรมชาติเห็นด้วยที่ว่าเมื่อกี้นะครับพระเจ้าท่านตรัสว่าจริงท่านตรัดไว้ดอกบัวสามเหล่าเท่านั้นนะครับอาจารย์รุ่นหลังมาเติมเหล่าที่สี่ให้เป็นพวกเหยื่อเต่าปลาแต่ที่จริงอาจารย์ที่เติมเนี่ยผมว่าท่านก็มีเหตุผลสามเหล่านั้นที่พระเจ้าท่านเราที่ท่านเพ่งเล็งหนักที่สุดที่จะช่วยก็คือผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยนะ แต่เราอื่นก็สามารถทําให้มีุลีในดวงตาแต่น้อยได้ครับดังนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นมีตั้งหลายระดับทีเรื่อดรุนวิปัสสนาเรื่อวิปัสสนาอ่อนๆก็มีนะครับเมื่อเรากระทำให้วาสนาของเราเก้าวขึ้นทางธรรมคือความขยันขันแข็งที่จะรู้สึกตัวขึ้นในสุดความหนาความทึบก็ค่อยๆกลายเป็นความทุเลาบางๆขึ้นเราพร้อมแล้วเหมือนดอกบัวที่รอแสงแดดเท่านั้นเอง คนทั้งสมัยพุท ธ, ธกาลนะครับที่เจอพระพุทธเจ้าผมคิดว่ากิเลสมนุษย์ก็ไม่ได้แตกต่างคอัสมัยของเราแม้วสิ่งแวดล้อมของเราในยุคนี้อาจจะมีสิ่งยั่วยุมากกว่าจริงแต่โดยทรรมชาติความเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้แตก ต, ต่างมากมายนะักบางค น, นได้สดับได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้แจ้งแต่พร้อมกนั้นออกติดตามอยู่หลายปีอย่างพระเทวทัศก็ไม่รู้ครับมันขึ้นกับอะไรบางสิ่งในตัวชีวิตของของเขาเอง ความสำนึกการปรับตัวและที่สําคัญที่สุดคืออุปนิสัยเมื่อสร้างอุปนิสัยของความรู้สึกตัวให้บ่อยขึ้นนะครับจนกระทั่งรักที่จะรู้สึกตัวตรงนี้สําคัญมากครับตามที่ผมเข้าใจนะครับคนทั่วไปรักที่จะไม่รู้สึกตัวครับคือได้ลืมลืมตัวละมันไปเลยไปดูในสนามมวยนะลุกขึ้นวะทำท่ า, ทาเชียมวยนี่ในสนามกีฬาเรามีสิ่งที่ชวนไม่รู้สึกตัวเนี่มาก แต่ถ้าเรามีองค์นิสัยหรือเราสร้างองคนิสัยได้คือรักที่รู้สึกตัวเมื่อเกิดความรักที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะทุเราเบาบางครับพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่เข้าซึ้งถึงเออรสของธรรมได้รสของธรรมนั้นไม่อาจซึ้งด้วยลิ้นหรือด้วยหูนะครับแต่ซึ้งเพราะมันเกิดทุเราเบาบางในตัวเองพอได้ยินพ่อยคําสักคําหนึ่งเออ เรื่องราวในตำนานอดีตก็มีนะครับอย่างเรื่องพิสดารในเมืองจีนพระพิคตูรูปกหนึ่งันรลุทรมสูงสุดเนื่องจากเสียงเพลงของของหญิงเสิร์ฟในโรงแรมแห่งหนึ่งนะหรือถ้าเดินกลับจากวัดซึ่งไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้กรรมฐานให้ข้อคิดข้อสังเกตว่าให้เจ้าทำในใจว่าเจ้าไม่มีจิตจิดไม่มี ถ้าก็เดินกำหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้มาบังเอิญมาผ่านหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งผู้หญิงเสอเออผู้หญิงนักร้องคนหนึ่งก็าร้องเพลงเกี่ยวกับชายครับเขาบอกถ้าเธอไม่มีใจต่อท่านเราก็สิ้นสุดกัน <c oughs> แต่ว่าพระพิสุรุมนั้นฟังไปเรื่องเลยเขาเข้าถึงสัจธรรมว่าอย่งนั้นนะครับว่าไม่มีใจทุกเรื่องกระจบดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับว่าสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยทีเดียวครับขึ้นกับภายในมากกว่า โดยโดยสรุปแล้วก็คือเราสร้างอุปนิสัยรักที่รู้สึกตัวทีนี้คําถาม <c oughs> เนื่องไปว่าทํายังไงจึงรักผมตอบไม่ได้ทําไงที่ให้รักความรู้สึกตัวนี่คําตอบยังยืนกลานลว่าก็รักความรู้สึกตัวรักที่รู้สึกเมื่อเราผัดข้าวซักผ้าย้อมหมูแต่สักผ้าอยู่เพราะซักผ้กานั้นเป็นงานแสนเหน็ดเหนื่อยนะแต่ทันใดที่เรารู้สึกขนาะที่เคลื่อนมือ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 ขับไลใ่ให้ให้ศึกหาราเพศบอกโง่นักท่องคาถาบาดเดียวไม่จบสี่เดือนเลยจําไม่ได้คือท่านความจําไม่ดีว่าไงนนเนี่ยแต่อาศัยปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกแล้วอย่างรู้อุปนิสัยขององสัตว์อันนี้เป็นคุณบัติพิเศษของพระพุทธองค์ท่านยื่นผ้าคีริ้วให้จุลปันโท บ, บอกให้เช็ดพื้นเคลื่อนมืออย่างนั้นแล้วให้สกัดขั้นวิตกวิจารณ์ที่เป็นความคิดอยู่ข้างในด้วยครับ คาถาคาถานั้นมีว่าละโชฮรนังลชังระติแปลว่าภาคิลิ้วเชดพื้นกดเช็ดพื้ น, นซึ่งเป็นเรื่องเหมือนกันเด็กเล่นแต่ว่าขนที่ปรากฏกับพระจุลวรโถกนั้นอัศจรรย์มากครับด้วยบายที่อย่างรู้อุปนิสัยของจุลวรโถกเพียงเย็นวันนั้นนะครับเพียงวันเดียวเท่านั้นตามเรื่องเราว่าพระจุลวรโถกก็ถึงที่สุดทุก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 น่าเอกใจตรงทีว่าทำไมนะเด็ก12ขวบที่เมืองอารวีนะครับสามารถเข้าถึงธรรมได้พระเจ้าสเสด็จไปที่เมืองนั้นแล้วก็เด็กคนนั้นมีอาชีพทอผ้าทอผูกครับเคลื่อนก็เคลื่อนไหวอวัย ว, วะอยู่แล้วครับพเจ้าก็สั่งสอนเขาแล้วอีกสองปีให้หลังท่านสเสด็จมางวดหนึ่งทรงนั่งที่ศาลาธรรมศาลากลางเมืองชุมชนอินเดียข้างโบราณก็จะมีธรรมศาลาครับ ที่ที่ให้นักพลดนักบวชตางนิการมาสั่งสอนเพราะาอินเดียเป็นชุมชนศาสนาผู้เจ้าประทับนิ่งอยู่แล้วไม่ไม่ไม่พูดเพราะาพระองค์ทรงรอเด็กคนนี้ว่ากันว่าพระองค์ท่านอย่างรู้อุปธิสัยว่าจะถึงที่สุดทุกในวันนั้นเด็กคนนี้รู้ข่าวว่าผู้เจ้าเสด็จมาก็รีบเร่งทํางานใหญ่นะให้เฉดสวรรค์แล้วเสด็จมาแล้วมีการไปถามชนี้ที่คนฟังไม่รู้เรื่อง เช่ยกไอย่างพระเจ้าเาว่าเธอมาจากไหนเด็กคนนั้นบอกว่าไม่รู้เธอจะไปไหนไม่รู้พูะเจ้าเทาวาเธอไม่รู้หรือรู้อยู่ถท้าว่าเธอรู้หรือไม่รู้คนฟังงงแล้วก็โกรธเด็กหาว่ากวนโทรศัหาว่าพูดแล้วเล่าลวงช่วงจาบพระพุทธองค์จริงเป็นรหัสที่สองคนรู้กันครับรู้กันในสุดพระเจ้าขอร้องให้อธิบายที่สุด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 เราไลร่ไปเข้าใจว่าถ้าจะเข้าถึงธรรมชั้นสูงเราต้องออกบวชเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะเราต้องออกบวชเราต้องทุดองเราต้องกินมื้อเดียวหรือกินหญ้าไปเลยบางคนคิดอย่างนั้นที่พิเบศก็คิดอย่างนั้นฮนะมีหลายรูปไม่กินข้าวเลยกินหญ้าพขาคิดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมะขึ้นกับรูปแบบการตกลงในทางรูปแบบแต่ท้ายชีวิตอย่างนี้จริงๆเกี่ยวสติเท่านั้นครับมีเศรษฐีบางคน รู้ธรรมะเพราะมันไม่ขึ้นกนว่ารวยจนหรือผู้หญิงหรือผู้ชายนา่งพิสาขาในเป็นระยะบุคคลนะในขณะที่พระภิกสุสง่งเข้าไม่ถึงก็มีและที่เมืองโกสัมพีถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมืองนั้นสาวกพูะเจ้าที่เป็นขรุขัะเป็นพระอริยบุคคลนี่มากกว่าพระภิกสุสง่งในนั้นเงื่อนไขจำกัดในทางเทศออกบวชหรือไม่นี่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 หลพ่อเทียนจิตตวิภูบอกว่ามันก็แน่อยู่แล้วว่าเจดวันต้องต้องตายไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มันต้องตายอยู่แล้วเออสาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงอื่นผมอยากให้เห็นสาระสำคัญของการเจริญสติในชีวิตประจําวันสมดังที่พระเจ้านะครับได้ตอบคําถามของพรามและท่านเพียรพยายามสี่สิบห้าพรรษาเพื่อจะสื่อข่าวอันนี้ให้ถึงทุกคนเด็กหญิงที่สองขวบที่เมืองอารวีก็ดี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 มีเรื่องมากมายครับดังพระจักกุบารเรื่องของอัมพบาลีเรื่องของปตาจล า, ราเรื่องยอดโศกของพุทธศาสนาเนเป็นเทจดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเล่าแถมพกนิดครับเพื่อให้ให้บรรยากาศให้ชัดเจนขึ้นว่าแม้แต่หญิงสติกําลังฟั่นเฟือนนะครับจนจนจะฟั่นเฟือนหรือฟั่นเฟือนแล้วอย่างปตาจล า, าหลายท่านค ง, คงไม่เคยอ่านหรือ หลายท่านคงเคยอ่านแล้วแต่ผมเล่าย่อครับปทาจลาแอบหนีตามผู้ชายตัวเองหลงรักด้วยอํานาจของบุเพสนิวาสนะฮะที่มาของบุเพสนิวาสอยู่ในในเรื่องราวเหล่านี้ก็หนีไปอยู่กับสามีตัวที่ชายแดงหนีพ่อนี่แม่ไปครั้นมีลูกคนที่สองก็คิดจะกลับไปขอเข้ามาเดินทางมาเคราะห์กรรครับเคราะห์ซ้ำเติม ดินน้ําไพลมแปรปรวนเกิดพายุใหญ่คืนหนึ่งฝนตกหนักอู๋เหาก็ชกสามีตายครับตัวเองก็อุ้มลูกคนหนึ่งจูงอีกคนหนึ่งมาถึงฝนะั่งแม่น้ําคงคาเนี่ยก็ไม่ค้ำยังไงน้ํามันเชี่ยวมากเพราะหลังจากพายุใหญ่ฝนตกหนักก็สั่งลูกคนโตให้รออยู่ฝั่งนี้แล้วตัวเองก็อุ้มลูกที่เพิ่งคลอดแบกขึ้นบ่าไป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 แต่จะลากลับถึงบ้านคืนนั้นพายุที่ว่าพายุหนักฟ้าผ่าบ้านพ่อกับแม่แล้วพี่น้องตายหมดภายในคืนเดียวครับสูญสลายทุกสิ่งทุกอย่างติฟันเฟือนเลยครับฟันเฟือนไม่รู้ตัวเลื่อนผ้าเดินเข้าไปในเวรุวันนะที่ พ, พระเจ้าประทับคล้ายโลกนี้สิ้นลายแล้วครับผมอยากให้นักสร้างขบยนต์สร้างเรื่องเหล่านี้มากคล้ า, ายโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือแ ม, มออ้แต่นิดเดียวเลยแหลกสลายแล้วครับอาหล ผู้เจ้าทรงอย่างรู้อุปนิสัยนี้ทรงรัดถ้อยคําที่เหมาะที่สุดจนสติคืนมาได้ความรู้ตัวเนี่ยสําคัญเพราะนั้นปตาจราไม่รู้สึกตัวเลย ว, ว่าอะไร เ, เพราะว่าติณร้ายทุกสิ่งทรงทั ก, กว่าดูก่อนน้องสาวจงรู้สึกตัวเถิดน้องสาวมันไม่ใช่เพียงถ้อยคำเพียงกระแสเสียงพลังในน้ําเสียงอะไรนี่นะผมเชื่อว่าทำให้ปตาจลารู้สึกว่าโลกนี้มี ม, มีรัก มีเมตตามีพี่น้องอยู่ผู้เจ้าใช้คำว่าน้องสาวเลยดูก่อนพคิพนีจงรู้สึกตัวเถิดก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นไม่ช้าวันนารุกาลายเปนผู้รู้ครับกลายเป็นอรหันต์ที่ช่วยผู้หญิงที่โศกเศร้าได้มากที่สุดซึ่งราเหล่านี้ผมไม่อยากให้มองเป็นอันี่นิหารผมอยากให้มองเป็นชีวิตและความรู้สึกตัวและสติติความรู้สึกตัวและการตื่นตัวขึ้นเพราะเมื่อมีสติแล้วครมันเห็นกลไกของจิต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 ผู้คนที่ใส่ใจเรื่องนี้จริงๆเพียงได้ยินประโยคนสองประโยคอย่างพระพายะจุลปันทุกที่ผมเล่าแล้วนะครับพระพายะนี่ฝรั่งก็เอาไปแต่งมห น, นิทานเรื่องการมรดกวตรีนะครับที่จริงถ้าเป็นอัลลฮฺนะครับแต่ตามเรื่องการมรดในการเด็กนึกพระเจ้ากำลังบินบาศพายะจับข้อเท้าแล้วบอกว่าขอให้สอนธรรมะให้สั้นที่สุดในนะี้ ว่าทํำยังไงแนะ่พระเจ้าบอกว่าเมื่อใ ด, ดาตากระทบลูกสักแต่เห็นนะนะสักแต่รู้สักแต่ยินอะไรเงี้เมื่อนั้ น, นตัวเธอจะไม่ปรากฏคือความคิดในเรื่องตัวเองเียครับในถ้พาพู้หญิสาวฝรั่งมอกว่าคอนเซปเกี่ยวกับตัวเองที่โลดล่นมาในอดีตไปใน้เห็นว่ามันจะหยุดมันจะจบสิ้นลงในนั้นเหมือนเทียนดับนะครับเหมือนเทียนซึ่งค่อยค่อยหมดหมดไข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 บุคคลผู้ภาวนาะเช่นนี้จะรู้สึกตัวเบาขึ้นปลอดโปร่งขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วมีกําลังใจยิ่งขึ้นครับแต่ว่าถ้าความรู้สึกตัวนี้อ่อนลงมันจะฟัน่นเฟือนครับปตาจะลานี่ฟัน่นเฟือนแล้วตอนนั้นเพราะว่ากระทบกับสิ่งในตัวเองไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนคืนเดียวสิ่งที่เป็นที่รักที่หัวหน้าตายหมดเลยจนรู้สึกตัวเองไม่รู้อยู่ตรงไหนละแต่ด้วยถ้อยคําคที่กระทบ รทรงตรัสเรียกพิเศษว่าน้องสาวด้วยกระแสของเมตตาของความปรานีนี้ทําให้พตาจราเริ่มฟื้นความรู้สึกตัวแค่มีความหวังขึ้นครับต่อจากนั้นก็เริ่มภาวนามีน ห, นหนึ่งในชีวิตของเรานะครับที่เราจะไม่รู้จักว่าความรู้สึกตัวมีคุณค่ามหาศาลเพียงใดความรู้ตัวธรรมดานี้ยมันเป็นอ น, นัคะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าคือมันตีเป็นบาทเป็นสตังไม่ได้ครับ มันไม่มีคิดเป็นดอลล่าร์ก็ไมาได้เป็นบาทก็ไม่ได้ความรู้ตัวนี่นะครับแต่ถ้าวันไหนเราสูญเสียมันเช่นฟันเพือนไปเราจะรูท้ทีเราสูญสิ่งสาระสำคัญที่สุดในชีวิตนั้นจากรลกฐานความรู้สึกตัวง่ายง่ายเมื่อกระพริบตาเมื่อหายใจเข้าใจออกเมื่อเคลื่อนมือเมื่อจับต้องสิ่งของเมื่อดูเมื่อฟังความหัตถจันอยู่ตรงนี้ครับ ในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากครับหลายครั้งข่าวก่อนผมเคยพูดเรื่องบรูพุโธบ้างปิรามิดบ้างนะในพื้สูตรก็บอกไว้ว่าทัศนานุตริยาสิ่งที่เห็นที่เลิศเหนือการเห็นอื่นใดนะครับเช่นการเสด็จของพระจักรพรรดิเป็นทัศนานุตริยาการเห็นที่วิเศษเห็นพระปัจเจกพุทธะเห็นพุทเจ้าเห็นพรสาวกองพุทเจ้าข้อสุดท้ายการเห็นในริยสัจเป็นทัศนานุตริยา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 เออมันไม่มีทุกข์มันเห็นหลับๆอย่างเนี้ครับมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรที่เราต้องท่องบนจนะําแล้วมานั่งขบคิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นทุกข์อ๋อตัณหาเจตาตนานามีอวิชชาไปเนี่ยคิดอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งทุกข์ครับยิ่งเรียนธรรมะแบบนี้ยิ่งเรียนยิ่งปวดหัวหนักขึ้นอี่แต่ต้องเรียนที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมากๆครับปฏิบัติธรรมะต้องรู้สึกตัวมากๆแล้วก็ ระมัดระวังอย่าเข้าไปในความคิดแต่พร้อมกันนั้นจะหยุดความคิดการหยุดความคิดเป็นความเข้าใจผิดความคิดเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของที่สําคัญของชีวิตเป็นการงานของชีวิตเหมือนแขนนะครับมันเป็นอวัยวะของลําตัวถ้าเดินไปมันกแ็แกว่งใครสักคนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าแขนมันรกลุงรังว่าเอาไม้ดามกับตัวให้นิ่งการพิการเลยครับอย่าลาคาญความคิดเป็นหลักฐาน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 เขาเข้าไปถึงเราเพราะเราไม่ปกติอังภาวะที่ปกตินี้นะครับเป็นสิ่งีสําคัญมากดูง่ายหนึ่งปกติมันไม่ได้ไม่เสียอะไรเงินทองก็ไม่ไดเพิ่มขึ้นแต่ความปกติเนี่ยคือตัวชีวิตที่อยู่รอดมาได้นะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ซาบซึ้งมันเพียงแต่เรามาซาบซึ้งกับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะมันค่อยๆเข้มขึ้นครับพูดภาษาฝรั่งหน่อยนะครับว่า มันจะค่อยๆอิลูมิเนตขึ้นเรืองแสงขึ้นเพราะธาตุแท้ของจิตเดิมแท้ชีวิตแท้ๆมันเป็นประพัสดสอนมันเป็นพัดสลัพรมนะครับมีแสงสว่างชนิดหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยด้วยกิเลสตัณหาความคิดมากมายกิเลสตัณหามาในความคิดครับคนคิดเดียดเด๋ยวก็โลภคิดเดี๋ยวก็โกรธจะโลภเฉยๆโดยไม่คิดมันไม่ได้ครับ นันสิ่งอันนี้ก็ค่อยมาห่อ ห, หุ้มจนกระทั่งภาวะประพัฒน์สอนไม่ทําหน้าที่ของมันในสุดเมื่อเราขยันที่รู้ตัวเหมือนก็เราธรรมชาติแท้ของมันความรู้สึกตัวจะสว่างขึ้นเข้มข้นขึ้นมันจะร้องเรียกกันว่าสติจะเรียกกันว่าสมาธิจะเรียกปัญญาไม่สําคัญอะไรครับเหมือนแม่น้ําเราเรียกแม่น้ําแปรแม่น้ํำพิงมันคือน้อํานั่นแหละแต่ความรู้สึกตัวนี่ชั่งแสนตลาดครับ ไม่มีใครที่ไม่มีความรู้สึกตัวแต่ว่าถ้าเราอยู่ในความคิดความรู้สึกตัวเป็นเพียงภาพสะท้อนในหัวของเรา